มารักษาศิลงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะศรัทธาความเชื่อว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญ น, นามาซึ่งสวรรค์ที่จะเป็นภพที่จะตามมาต่อไป เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ด้วยพระองค์เองทรงเห็นแล้วอย่างแน่ชัดว่าเป็นความจริงคือเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขให้เกิดสวรรค์และเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ เกิดนรกอยู่ที่การกระทาของแต่ละบุคคลผู้ใดทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเหตุนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเหตุนั้นขึ้นอยู่กับการกระทาของแต่ละคนของแต่ละบุคคล ผู้อื่นไม่สามารถทําแทนได้ผู้อื่นไม่สามารถสร้างผลคือความสุขสร้างสวรรค์หรือความทุกข์หรือนรกให้แก่กันและกันได้แต่ละคนเป็นผู้สร้างกันขึ้นมาเองถ้าสร้างบุญสร้างกุศลก็จะได้ความสุขได้สวรรค์ตามมาถ้าสร้างบา ก็จะได้ความทุกข์ได้นรกตามมาความสุขและสวรรค์และบาและนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจจิตใจนี้แหลเป็นผู้ที่เป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ และจิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างสวรรค์สร้างนรกขึ้นมาด้วยความคิดด้วยการพูดด้วยกายกระทำอย่างวันนี้ญาติโยมกําลังมาสร้างสวรรค์สร้างความสุขด้วยความคิดที่จะมาทำบุญคิดที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรม ความคิดเหล่านี้จะพาให้ไปสู่การกระทำและการพูดที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อได้พูดและได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลความสุขก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจสวรรค์ก็คือความสุขนี่แหละก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจและเมื่อตายไปก็จะได้ไป ก็จะได้สวรรค์ที่ได้สร้างไว้ในปัจจุบันนี้ตามกำลังของการกระทำทำมากทำน้อยก็จะได้สวรรค์ขั้นสูงขั้นต่ำต่างกันไปทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่งถ้าทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงดังนั้นเราขอให้พยายามทำกันให้มากๆทำกันให้ครบ พราะสวรรค์ น, นี้ต้องมีการกระทำหลายอย่างด้วยกันเริ่มต้นที่การให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งของต่างๆเข้าของเงินทองสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้สิ่งที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราเอามา แจกจ่ายสมคะห์ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคาะวะญาติโยมหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกัน ต, ต่างตรงที่บุคคลที่เราได้ช่วยเหลือนั้นมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันที่จะ ให้ความรู้กับเราได้แตกต่างกันถ้าเราทำบุญกับผู้ที่มีความรู้มากเราก็จะได้รับความรู้เป็นสิ่งตอบแทนนอกจากได้ความสุขใจได้สวรรค์ในใจแล้วเราก็จะได้ความรู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะความรู้นี่แหละที่จะเป็นเหตุพาให้เรา ได้ปฏิบัติหรือไ ด, รได้สร้างสวรรค์ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสวรรค์ขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่ไม่มีการเสื่อมถ้ามีไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาให้พวกเราได้ถวายทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้ยิน จะไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆที่มีการเสื่อมไปมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้จากสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อนี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้รับความรู้อันนี้เช่นถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์คนชราเราก็จะไม่ได้ยินเรื่องของพระนิพพานเราก็จะได้ยินเรื่องของโรงพยาบาลเช่นวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือถ้าเราไปทำบุญที่สำนัก สงเคราะห์คนชราเราก็จะได้ยินวิธีดูแลรักษาคนชราเป็นต้นแต่เราจะไม่ได้รับความรู้ที่มีคุณกับจิตใจของเราก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดเราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันท่านั้นดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า เวลาทำบุญถ้าอยากจะได้บุญสองต่อคือได้บุญคือความสุขใจได้สวรรค์ในใจแล้วแล้วอยากจะได้ความรู้ที่จะเป็นแสงสวานนำชีวิตจิตใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลาดับเราก็ต้องเลือกทำบุญกับผู้ที่รู้จักสวรรค์ขั้นสูงสุด ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์แล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังความรู้เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสูงสุด น, น, นี้เพราะท่านจะสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติวิธีสร้างสวรรค์ชั้นสูงสุด น, น, นี้ให้กับพวกเรานันเอง จึงมีความเชื่อว่าการทำบุญกับผู้ที่มีปัญญามากๆผู้ทำบุญด้วยก็จะได้รับปัญญาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้าไปทำบุญกับพระผู้ที่มีความรู้มากๆแต่ไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมเช่นถวายของเสร็จก็ขอลากลับบ้านไป อย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระผู้ที่มีปัญญามีความรู้มากๆเช่นเขาพระเจ้าก็จะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะเหมือนกับไปทําบุญกับผู้อืน่นจะไปทําบุญกับใครแล้วเราไม่ได้สนใจที่จะฟังในสิ่งที่เขาจะบอกหรือสอนเราเราก็จะไม่ได้ ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาความรู้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพา ะ, ะความรู้ทางด้านจิตใจเพราะความรู้ทางด้านจิตใจจะเป็นแสงสว่างพาให้จิตใจได้ไปสู่สวรรค์ที่ถาวรไปเข้าสู่ความสุขที่ถาวรไปหลุด พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นเวลาเราทำบุญให้ทางถ้าเราปรารถนาที่จะได้แสงสว่างนำทางของชีวิตให้ไปสู่ที่ดีที่เจริญที่มีความสุขมากๆเราก็ต้องเลือกพระที่สามารถที่จะให้ความรู้กับเราได้นี่คือ เรื่องของการทำบุญโดยที่เราต้องเลือกบุคคลที่เราทำบุญด้วยเพราะบุคคลที่เราทำบุญด้วยนี้ท่านเปรียบเป็นเหมือนเนื้อนาบุญก็คือบุญนี้ก็คือความรู้ถ้าเป็นนาที่ดีมีดินดีมีน้ำดีเวลาปลูกข้าวก็จะได้ดอกผล ที่มากต่างกับไปทำบุญต่างกับทานาในดินที่ไม่ดีในดินที่ไม่มีนา้ามากเวลาออกดอกออกผลก็จะไม่ได้มากท่านถึงเปรียบเทียบก็สง์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกปุญญัเขตเตโลกัตสะผู้ที่จะให้บุญกับพวกเรา คือความรู้ความจราญให้แสงสว่างแห่งธรรมกับพวกเรานี้ก็มีพระสงฆ์ที่เรายึดเป็นสรณะนี้เองมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือพระอริยะจ้าสี่ระดับขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือพระสะกิดาคามี ขั้นที่สก็คือพระอนาคามีและขั้นที่5ก็คือพระอาหารหันต์พระอริยะทั้งสี่ขั้นนี้ท่านมีความรู้ความสามารถต่างกันเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมหกจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกจะมีความรู้ ที่ไม่เท่ากันพระสโสดาบันนี้ก็เป็นเหมือนกับนักเรียนที่จบมหกพระสกิรดาคามีก็เหมือนกับนักเรียนที่จบปิณ ญ, ญาตรีพระอนาคามีก็เป็นเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาโทและพระอระหันต์ก็เป็นเหมือนผู้ที่นักศึกษาที่จบปริญญาเอก ถ้าเราได้ศึกษากับบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้รับความรู้ต่างกันไปถ้าศึกษากับระดับมัธยมหกเราก็จะได้ความรู้ในระดับของมัธยมหกถ้าศึกษากับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีก็จะได้รับความรู้ในระดับปริญญาตรีถ้าศึกษากับระดับปริญญาโท ก็จะได้ความรู้ในระดับปริญญาโทถ้าศึกษากับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกก็จะได้ความรู้ในระดับปริญญาเอกนั่นเองดังนั้นถ้าเราทำบุญกับพระที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าเราก็จะได้ความรู้ระดับของปุถุชนเช่นรู้จักรักษาสิงรู้จักนั่งสมาธิ แต่จะไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาที่จะทำให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแต่ถ้าได้ศึกษากับพระโสดาบันเราก็จะได้รับความรู้ที่สามารถทำให้เราเห็นว่าสักส ก, กายะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้ พระโสดาบันมีความสามารถที่จะสอนให้เราปล่อยวางร่างกายของเราได้ทำให้เราไม่กลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ทำให้เรามีความเชื่อไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้เราไม่หลงงม ง, งายกับการ ที่จะต้องไปทําบุญสดาะเคราะห์ต่างๆเพราะเชื่อในกรรมในบุญของตนทํากรรมอันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเกิดมีข้อกรรมขึ้นมาก็ยินดีที่จะรับกับเคราะห์กรรมอันนั้นจะไม่ไปหาหมอดูไปหาวิธีสดาะเคราะห์ต่างๆเพราะรู้ว่า เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของตนและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะห้ามหรือลบล้างได้ต้องทาใจยอมรับกวความจริงอันนั้นเท่านั้นนี่คือความรู้ที่เราจะได้ถ้าเราได้ทําบุญกับพระโสดาบันถ้าเราได้ทําบุญกับพระสกิดาคามีท่านก็จะสอนความรู้เพิ่มต้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่า ความที่เรายังมีความหลงยังอยากมีคู่ครองยังอยากนอนกับคนนั้นคนนี้ยังอยากจะเศษกลางอยู่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาเราเห็นคนเรามักจะมองแต่ส่วนที่สวยงามของเขาเช่นมองหน้าตามองเสื้อผ้ามองรูปร่างของเขา แต่เราไม่เคยมองสภาพที่ไม่สวยงามของเขาที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขา mm. เช่นโครงกระดูก mm. เช่นอวัยวะต่างๆ mm. เช่นมีหัวใจ mm. มีปอดมีตับมีไตมีลำไส้และไม่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่ต้องขับถ่ายออกมา ตามทวารต่างๆพระสกิดาคามีท่านกะจะสอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดกันขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ไม่สวยงามแล้วแล้วยิ่งเวลาที่ตายไปยิ่งไม่สวยงามใหญ่จะไม่มีใครอยากจะหลับนอนกับคนตาย ถ้าตายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่อยากจะเข้าใกล้แล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ไม่หายใจนอนอยู่เฉยๆเท่านั้น<ม>ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้แล้วเ<ม>พราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายพระสกิฎรคามีก็จะสอนให้เราพิจารณาจนทำให้เราสามารถที่จะทำให้การมาราคะ คือความกำหนัดยินดีใ น, ในการเสดการมให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่สามารถทำให้หมดไปได้ถ้าจะทำให้การมีความกำหนัดยินดีมีการมาราคะนี้หมดหายไปได้ก็ต้องศึกษากับพระอนาคามีผู้ที่สามารถทำให้ การมราคะความยินดีในการเสพการนี้หายหมดไปจากใจได้เพราะพระอนาคามีจะสอนให้พิจนาทุกลมหายใจเข้าออกเลยให้คิดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใดให้จเจริญอสุภะกรรมฐานตลอดเวลาให้นึกถึงสิ่งที่ไม่สวยงามที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกาย ให้คิดถึงสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมาตามทวารต่างๆให้คิดถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นอย่างไรต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในเอเรียบที่เดินยืนนั่งนอนถ้าสามารถทำได้แล้วการมราคะคือความกำหนัดยินดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาภายในใจ นี่คือความสามารถของพระ อ, อนาคามีท่านสามารถที่จะสอนให้เราตัดการมราคะดาทําให้เราเกิดความเบื่อห น, าน่ายไม่มีความยินดีในการที่จะร่วมหลับนอนกับผู้ผู้อื่นอีกต่อไปนี่คือความรู้ที่เราจะได้รับจาก พระอนาคามีถ้าเราได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับวิความรู้วิธีที่จะชำระกิเลสที่ยังมีซ่อนหรืออยู่ภายในใจที่ละเอียดเช่นมานะการถือตัวอวิชชาคือการไม่เห็นอริยสัจสีที่ละเอียดที่ยังมีอยู่ภายในจิตนั้น มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้ใจนิ่งกายเป็นพระนิพพานได้ถ้าได้พระนิพพานแล้วก็จะถือว่าไม่มีงานอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมีภพมีชาติ ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปจะได้ความรู้นี้ก็ต้องได้ศึกษาจากพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระโสดาบันยังไม่สามารถสอนถึงระดับนั้นได้พระสะกิรดาคามีพระอนาคามีก็ไม่สามารถสอนให้ถึงระดับพระนิพพานได้มีแต่พระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะสอนได้ ดังนั้นการที่เรามีโอกาสถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเราเจอพระโสดาบันพระสกิดาคามีหรือพระอนาคามีเราก็ยังจะไม่สามารถ ปฏิบัติให้ถึงขั้นพระนิพพานได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะจิตใจจะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นปุถุชนถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันแล้วจิตใจของเราก็จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นปุถุชนและภพชาติของเราก็จะมีเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้เป็นพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบัน และจะมีพบชาติหรือเพียงอยู่เพียงเพียงชาติเดียวที่จะต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ที่จะต้องกลับมาเสด็จกางถ้าเราได้ท่านพระอนาคามีเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะเกิดเป็นพรหมแล้วเราก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เราอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้ พระอริยเจ้าทั้งสี่ขั้นนี้ถ้าได้ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปแล้วถึงแม้จะไม่มีอาจารย์มาสอนท่านก็จะสามารถปฏิบัติไปตามลำพังของธรรมได้จนถึงพออาาระอรหันได้แต่ถ้าเป็นปุตุชนนี้ถ้าไม่มีพระอริยเจ้ามาสอนจะไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้ อย่างมากก็จะได้ขั้นสวรรค์ชั้นพรหมที่มีการเสื่อมเกิดเป็นเป็นสวรรค์ชั้นพรหมชั่วคราวเช่นผู้ที่นั่งสมาธิแล้วได้ฌานขั้นต่างๆเช่นพระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่ก็จะต้องเสื่อมกลับลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะว่าสวรรค์ชั้นพรมที่ได้จากสมาธินี้ไม่ถาวรพอกำลังของสมาธิเสื่อมลงไปติเลที่ถูกสมาธิกดเอาไว้ก็จะทำให้ใจหยาบลงทำให้จิตหยาบลงก็จะเคลื่อนระดับลงจากชั้นพรมมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็จะเลื่อนระดับลงมาสู่ชั้นมนุษย์ แล้วก็ต้องกลับมาสร้างบุญใหม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลใหม่นั่งสมาธิใหม่ก็จะทำได้เพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้พบกับพระอระหันต์ได้พบกับพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิได้เท่านั้นจะทำมากไปกว่า น, นี้ไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ปัญญา ที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีพระอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่จะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะรู้อริยสัจสีคือทุกขสมุทัยนิโรธมั้ที่เป็นเครื่องมือที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่จะเป็นเครื่องมือทำลายกิเลสตัณหาทั้งหลาย ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิได้แต่เพียง <c oughs> กดเอาไว้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ก็คือพระอริยสัจสีหรือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นถ้ายังไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่รู้จักอสุภะยังไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็จะไม่มีทางที่จะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่จะทําให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายจึงเป็นบุญเป็นกุศลที่สูงสุดเพราะจะสามารถศึกษาและปฏิบัติทำให้จิตใจได้รับสวรรค์ขั้นสูงสุดได้ก็คือพระนิพพานถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอพระพุทธเจ้า ไม่ได้เจอพระ อ, อริยสงสาวุก็จะไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนผิพพานได้ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาทำบุญกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นมหากุศลมหาโชคยิ่งกว่าถือวัตถุรีละมันที่หนึ่งพันครั้งแสนครั้งพอเงินทองกองเท่าภูเขาจะไม่สามารถทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำจิตใจของเราให้ได้พบกับสวรรค์ ชั้นสูงสุดได้มีแต่พระพุทธศาสนานี้เท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงานนี้ให้หลุดไปจากมือไปอย่าเสียชาติเกิดเพราะว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานที่เป็นสิ่งที่ประเสริ ยิ่งกว่าเพชรเนียนจินดาทั้งหลายเป็นแก้วอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยนี้เองถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติเราจะได้แก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานเป็นสมบัติของเราไปตลอดอนันตการเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องมาพลาดพลากจากคนนั้นคนนี้อีกต่อไปดังนั้นขอให้เราจงปลูกฝังความเชื่อด้วยการศึกษาให้มากๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำไปปฏิบัติท่านสอนให้เราทาบุญให้ทานก็ทาไปอย่าสงสัยท่านสอนให้รักษาศีลก็ทำไปอย่าสงสัยสอนให้นั่งสมาธิก็ทำไป สอนให้เจริญปัญญาพิจารณาความไม่เทีย่ยงพิจารณาความไม่สวยงามพิจารณาความไม่มีตัวตนก็ให้พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความรู้เหล่านี้ก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนกับการเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่ไปเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะสามารถบรรลุหรือสำเร็จตรริ ญ, ญาเอกได้ต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่และเริ่มต้นที่ศรัทธาความเชื่อเชื่อในครูในอาจารย์ที่สอนเราให้ต้องกอไก่ขอไข่ให้ทาการบ้านขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเชื่อในการทาบุญรักษาศีล น, นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรม จเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติ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 แล้วคาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ